ในวัดกาสงสารนี่ข้ามาเทศนาถูกสงัดเป็นการเทศบักไม่ได้นึกนึกฝันขาเจ้าก็ไม่ได้นึ ก, กฝันแต่ว่าแต่ว่าสุญญอดีมีแห้งโดยเงพาะ ก, กับต่างบา้านต่างเมืองอย้ง่นหันเพราถ้ามาันเทีเอาต้องเอ า, เอ า, เอามือนึง ม, มือเดียวคือไข่จังหัวเลยกล้องมองือผาเข้าซือกันทันตกจัก้สิบมือสิบเพื่อชัก สามมือสามเกนเราเห็นหงเย็นเหี่ยงกับอุตนาตกทั่งแห้งทั้งร่มผู้เขาเหล่ากาจะพังเมื่อเกินก็กระจกเนี่ยแม่น้ำเมื่ถ่วมก็ได้แม่นาบเไร้รัดตอนนี้กผู้เขาเรากาพังเท่ากันท้องหน้ามันเต็มเท่ากันไหลหงวยพวกท่านเท่ากันเห็นท่ามาเหเขตสนายวะไม่จะหน้าเมื่อเกินเกินรับข่ากันถ่มไปนั่นเอง อันน oh. mm ี hmm. ้แก้ามาไอะกไมล่โอ้น้ำบ่บกบกฮะโอ้เขาม่ได้อะแกวมาเข้ามาไ้วมากม่ได้อมา่ะเอาาตะกุน่ามา้งอเหร น้ำอัฐบาลอัฐาแปลว่เแปดผู้ลงโคทษว่ากองแปดเท้าผสมเมนน่นยกของตัวยาง8ปดยางยกย ก, กตัวยางคือน้ำกล้วยก็ดีน้ำเล็บเกี้ยวก็ดีน้ำบลัวาก็ดี พนยกขึ้นมาของแปดยางอันนี้เป็นของแปดยางนี่แหละเป็นตันวาแต่ว่าหางหลายยางก่อนอันทั้งยกจะเพีงยงแปดยางมากเพราะเขาใจความหมายคือแต่ว่ า, าอัฐบาลอัฐบาล น, นี้ยกตัวอย่างเป็นของแปดยางนี่แต่ว่าหางนี่เ น, ยเนียอื่นหลายอยู่ว่าแต่หน่วยใหญ่เนี่น ย, น ย, นยก็พอผลมงนัดหน่อยหน่อยหน่อยก็ผลมงนัดลงมา น้ัฐบาลประเทศใดหน้ากล้วยประเทศดหน้าองุ่นก็ะเทศใด้นามมาม้ามะม่วงมะปรางหน้ากล้วยหลายก็แปดอย่างจะหงอกตัวย่างมาแปดอย่างเลยอิคนก็เห็นว่ากล่องแปดเชือกว่าสั่นมันจะมันจะถือว่าสั่น ม, ม, นมันบอมเอ็นบอมอ่อนถึงกล่องกล่องนั่นสิกล่องแปดเชือกกระซ่ากราห้างก็ใสบ่ได้กล่องนี่มีความความหมายว่าเสีย ห, หน้าบอ ม, มีเงือกล่อง กองแปรเทือกกระทำคันอันทงหางซํานีมันกระแทกอะไรข่านเทือก็แท่บะไรสนที่แล้วกองเทือเดียวก็ได้เพื่ออคอพนกตัวยางของแปดยางนี่ม mm. เาเห็นน้ารัฐบาลมันจะได้กเะนอกขวอมันจริง <IK> <im> in ันนอกจากของแปรยางไปยังไม่อีกยกพนงตัวยางของแปรยางก็คือเรยว่าน้ำอัฐาอัฐาแปลว่าแปรพนงตัวยางของแปรยางนี่น็เถอแต่ว่าสามารถเ็ได้หลายคนนี่อันจะรับเสียงหน้ารัฐบาล คำว่ขาของเปิดยางเท่า น, นั้นหนำเล็กเยียวคือหนำบักเล็กแมวหนำนี่หนำบักหวานหนำปุวยกหน้ า, นาบักข้อน้าบักม่วงว่าแต่ว่าผลมันว่าไงไงก็บอกหนักผลที่เอามาเฮ็ดเนี่ย ได้เพให้ผลไงก็บักหนับไม่วหผลไงก็บักตูมผลเขามันน้ำบักเ้าได้แค่ได้เ่ราะเม็ดมะระมันเป็นมหาผลเป็นผลไงเขาว่ามหาผลเป็นผลไงน้าบักเ้ากินเ่ยมกอะไรเพราะมันกินมะระน้ำบักเ้ามันจัดเขานอาหารกินในเวลาเทศาลมไรน้บักเ้า นุ่มจ้จัดอาหารกินสันเนื้อราเวลาไไก่เมื่อยนร่มเนื้อมนุษย์เนื้อสร้างเนื้อม้าเนื้อรันเสสีเนื้อเสือคงเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองเนื้งูเนื้อหมาเนื้อมนุษย์ เนื้อราชสีเนื้อมนุษย์ถึงฉันเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติทุนใจัพระอบัตินั ก, ก็มพระ อ, องค์บห้ฉันมนุษย์คือกันแล้วก็เนื้อหมามันเป็นของตํา พระพุทธเจ้าทํางลับหมาเป็นของตําบกขวัญฉันเพราะสมมติกันว่าเป็นของตําแล้วหมาเนี่ธมะหมาธรมวาสุนัตเนื้อสร้างเนื้อมามันเป็นของชนเพชรพระบรมราชากบกวัญฉันเนื้อมนุษย์เป็นเป็นสร้างเดียวกันบกขวัญฉันเนื้องูเนี่ยบกขวสญฉัน พอห า, าประยชน์นปลาในเมื่อมันถือกินมันถึมากัดเนื้อสืกองเสื้อดาวเสื้อเหลี่ยมซื้อกันมันถือกินเนื้อห่อออกไข่ห่อออกมันถึมากัดมันถือกินมันนอกจากนั้นไปนเนื้ออุทธิสามังสาเนี่ยคนก็ะบอกให้สันเนี่ยอุทธิสามังสานี่ยไม้เข้ามาจางไหนเขาขาอุทธิเท่าใกล้ตัวนี้ทีขายพระ กินนะครัป้าตัวนี้จะขายพระกินกันได้ยิ่งในขนาดเยอะุดยอะสุดกินเขาขายทร้งมาลัยไงตลาดจิตได้ยุด้วยในยินงว่าเขาเสียวมาให้พระพอดีด้วยในยิ่งและสงสัยและรังเกียจและสงสัยและรังเกียจเกี่ยวพดสันเมื่อได้เห็นเองเมได้ยินเองเม่มีผู้บอกแล้วเชื่อว่าทำเป็นจริงเมื่สงสัยแลังเกียจ นี่เขามาสงสัยมาสงสัยว่าเขาจิขายเฮ้าเขามาสงสัยนี่สงสัยอย่างสงสัยเป็นเนื้อมนุษย์นึงสงสัยเป็นเนื้อหมานึงสงสัยเป็นเนื้อสร้างนรมะหนึง่งเขามาสงสัยเขาว่าคตรสัน่น ขันสาเป็นอำนาทุกคนส่วนเนื้อมนุษย์สิสงสัยว่าสงสัยก็ตามขันสารน่ะเป็นอำัาทุจริตใจรุดขันหักว่าพระพุทธเจ้าทรงหามขาดด้วยท่ามื่อสังสียางสีนี่ไหวที่สังก็เป็นอันเลี่ยงไปก็ตอออก ว่าหามวอยกันเ น, าานื่ยเขาปากอ่ะพระเทศวัฒจะขอคราบพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใด้ยปลาเขาโยปลาจนวันตายเขายยไกลบ้านื่อไรพิษถ้าผูดด้ใดถือาบาบังสกุลนะ ถ, ถือจนวันตายถือผากระถินลราพิด หรือผ่ารับข้ามือ้อมันพูดได้ฉันพักก่อนฉันพักเกินวันตายากรับฉันเหนื่อยฉันป่าไปอี ก, กอห่ามเับเป็น อ, บอา บ, บ, อ บ, ออบออาัติประเทศวะครับนี่หาขอบหรือขอบของเรื่องนตัวเจ้าสมัติัก พระมออมังเห็นพระแห่งแล้วตัวยศสมมาแข็งดีกบเฝ้าพ้าบรรยัติมันยัตต่มพระพุทธเจ้าองค์อ์ก่อญญนญญ ม, ม้วเป็นท่าม้วนแล้วบริบูรณ์ม้นแล้วตัวยศสมมาตั้งพหะองจ์กพอเจตนาโต้ตัวจะแข่งดีเฝ้าอยัามาหลอกเอาความชิงโง่ไปยู่เป็นพักกับโต้โตพุทธเจ้า ผู้เขาสันเนื้อสัปลาเขาก็าบัประกาศไว้ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้สันเนื้อข้าพเจ้าเป็นผู้สั้นปลาใช่ว่ามันเนื้อมันปลาจะมาใส่บาตรข้าพเจ้าข้าพเจ้าว่าเอาแล้วเขาเอาบัตราใช่นเขาเขากินได้ยัวใช่ผู้ใดใจสมักแต่จงทำเอดเถิดสัมภาร่าสมักแต่จะสุดถือว่าเป็นผูผิดเลยขันเมื่อสัมภากสั้นนี้อะไรประาเล่าผู้อื่นมาผู้อื่นผิดเ มีแทะอะไรสํ า, าสไปเนี่ยมาตั้งโคตรไว้อ้เหี้ยเนี่ยเาตังกดไว้ามา ไ, ไ, ไม่แล้วไอ้เหีนมนุษย์น้อสั่ใมาวามาแล้วตัวจะมาแข่งดีเข้าห้อง้าหงจากกูยักทิศทีมานาของโตพระพุทธเจ้าเครียดอพระพุทธเจ้าออกหนีออกนี้เขาได้ประฮาปันอโมเดโมหารอย มูขาลอยแล้วพระธิเกศโม่รโมฆะล่าารวุตไปตามออกมาพระสมบวดไม่ไปจกักเอเนี่ยงปลออป่อวุฒิพุธนีน่ยพวกนี้แตกไปมากนี่สิปฏิวัติระบาดนี่นะรักเทอั น, นี้แตกไปมากไปไปตามออกมาโมฆะล่าารวุยไปตามออกม า, มา ยังอยเหลืออยู่แล้ว <c oughs> ็มิยุ่มายยุมยย่มาย <c oughs> คือเห็นคว่ำพิดเจ้าของพองระเทวทัตโอ้เล่าเนี่มักไงไฟสูงเราชิบพกข้องสูงแล้วไปขอพรพระ อ, องค์เจ้าพกข้องสูงเพราะพระองค์ดูตามสบายก็น้อยี่พกข้องเราสงอยูลวเี๋ยวแล้วพระเทวทั่บมิ้งนะครับเ่าท่านตายนะคร พี่คือภคองสงเลพื่อนี่บะมีพระพุทธเจา อ, องคนรกักบ่มีพวพระพุทธเจ้ายู่ตามสบายเท่าน้นภคคองสงเองพระพุทธเจ้าว่าไงคบคิดกับพระเจ้ า, าศาสตร์ทัา ต, ต์หูหายพระเจ้าอาศาสตร์ทตูนูขาพอเดี๋ยวเป็นพ่อบระหลาดและาแท้ก เขา้าพระธิดาทำลายพุทธจ้าผิดปกติองสองแทนข้าพุทธิดาแล้ ว, ว ข, ขึ้นมาภูเขาสุดนสะปูดกยันก้อนหินลงมามตเตีกันหลายก้อนพี่คานี่มันต่อลงหว่างภาคมามาไทาพระ อ, องค์เจ้าแต่ อ, อง์เจ้าบ้าพวกนี้จะเขาบอดี้ตีนรับนี่ทท่าให้มันถึงเด้โทรว่าเป็นสิ่งใดใจเละ เท้าวาเฮ็ดแถมันถึงยี่งเม็กรได้หินทุมพระพุเจ่าขึ้ไดรวดเร็วต้องเฮ็ดถมันถือเยอะจักน้อยพราะมันห่อเนี่ยมันจั่สีได้ใจมันแย่เทวทัาตุเเท้าวอยให้เลยถือยิ่งเม็ดหัวพระพุทธแตกเกจบเสียงมันเสียใจหลายเลยมแตกเก็บเสียงพอเก่าเเดอเถ่าไปเดเ่าไปหับห er. ับก้อนหินียนพังหนามาลึงตึงๆกาะกันลงมาเรเฮ็ดพรเราเฮ็ดพรพระพุทธเจ้าเลยวห่อใช่ไหมเนา ปูบานักก็เลยมาใส่หายใส่ยาให้ก็เลยหายช้ระเพือฆ่ามันดาฆ่าวีดาช้ระเผทออันตรายกรรมห้ามาตุฆ่าฆ่ามันดาปีตุฆ่าฆ่าวีาอารัตะฆ่าฆ่าพระอรหันต์ที่เขาข่าวพระมคคัลล่าโลหิตตุบาทำลายพระพุทธเจ้าถงอยากถลงอยู่ไนหอขึ้นไป ฐ า, อานาอาเพศยัางสองาร้แก่กันคำให้ยานี้เป็นบอันหนัก ท, ที่สุดห้ามสห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานตาราชิดของผู้ทุพกพรทุกศา ส, สานาห้ามไม่ทาเป็นเด็ดขาดพระเพิ่งองเขาอิ่ว่าอันนสัตุกเพศถือศาสดาอื่นอีกที่ศาสดาอื่นอีกอออกับวัฒนารรมในมรรคในภาคถือว่าผลเปืก็พระคุณจะขาสาา พระเทศวัททัพได้รู้ตัวแล้วท่านพิะองค์เจ้าของขอหนึ่งทํานสงหักแตกกากพระองค์เจ้ามันมีสั้งข้าที่เศษขอสิบเอ็ดขอสิบสิบพิชซูภาคเพื่อจะทาลายสองหัแตกกันพิชซูจะท้าไม่ฟังสงศรกรรมเพื่อจะให้ละข้าเพื่อนนั้นท่ามและวท่อทั้งคาสิบเศษสิบเอ็ดพิชซูประพฤตตามพิชซูพูดทาลายสองนั้น ที่สืออื่นถ้าไม่ฟังสงฆ์ศรัทธาเขาจะให้ละก้อเกียรเพื่อนนั้นถ้าไม่ะต้องสังฆาทิเศษสงฆ์ศรัทธละคอาประพฤติเธอเห็นดังขามันผิดด้วยวะทางที่หนึ่งโมเสาเป็นทุดรถทางที่สองย่างโมเสาะอีกเป็นทุนละใจทางที่สามย่างโมเสาเป็นสังฆาทิเศษขอชีก็ขอที่เอ็ดก็ดีแล้วข้อที่สองก็ข้อที่สามกดี แล้วท่านพิทโธองค์เก่าสองขอเคลือนไปขอขมาพุทธเลยเคนมากมากขอดมาหอดขนท่าถามมากเพิ่งกระปวยมากเลยปวยมากที่มาขอ ข, อขอมาโุทธพระองค์เจ่าพระมาหอดต่างท่าไงนี่สะโบกคารณีอันหนึ่งพระทั้งหลายหามจะเตียงมากพระพุทธเจ้าท่านนันแหละ ยนี้นะพระมคคัานจะมาขอ ข, อขอมาโทษมอแล้แม่เดียินี้พระเทวทัพจะมาขอ ข, อขอมาโทษพระเทวทัพจะมาหาเล่ากับท่านเพือนเห็นเล่ารอกพระพ่นดนนหาหาินทีสุกอนอาหว่าหอดเครงข่าล้มตะกินน้าเดี๋ยวคืนมาเอาว่างมาเตียงแระดินเนี่ยเอาเตียง ร้อง่ลูกร้องปล่ปลปย่างจะค้อย่งจะค้อโอ้ยเสียเอาพ่อบูชาพระองค์เจ้าเสียเอาไรบูชาพระองค์เจ้าย่าะไรนไลกระไลแพร่ขอนก็ได้ชีจะเป็นพระพระเจดโอมึงว่ามันจริงเพื่นปัานพระพเจ้าว่าหลายสาสนาผมเนียระเทศวตารมันมันฮอกคืิมาปัดฐานาี่พระพเจกเนี่ยสัมน เป็นผู้สร้างบารมีข อ, องพระองค์เจ้ามากล้าสัแล้วรบแล้วผู้สร้างบารมีทั้งคัดข้อกันนี่เลยเ่นเป็นเล่นพ่อยกันขเป็นพ่อเอกท่นนานรอนยเียบ ต, ตัว ต, ตัวเลยตัว ต, ตรงตรงตรงางของ พเป็นสิงสิงสางมาแล้วมเม า, า, มานีข่จะเป็นพระกัปเทวองค์นึงฉยังนั้นเหมือกนยังเลยร่วมประพามใหม่มหาวิีนระกกเรืองดีก็มีเรืองสัวก็มีในพระพุทธศาสนาขันพระพุทธศาสนาเนี่ยเรืองดีเรืองสัวบบมีพระพุทธศาสนาน เ, เานาขาโบริบูรษ พระวชติันก็บมีพระพพะท่าข้ามี่พระอนาคข้ามี่กัมีพระละหันกัมี่พระปฏิกษกมี่พระธมาพระพิจาก็ัมี่มีครอบวัดเดี๋ยวนี้ท่างดีนะท่าชัวกัมีครอบวัดเหตุนี้สัศาสนาจึงบริบูรณ์กับมี่เดีท่างดีกับศาสนากับบริบูรณ์กับมี่ท่างชัวศาสนากับบริบูรณ์ มันมีทั้งเหตุทั้งผลมีทั้งเอทั้งตัวเห็นไปจักแก้ต่าอยู่ศาสนาจึงบริบูรณ์พุทธพิธกับพิธที่ดีเป็นคำสั้นไปพุทธธรรมถึกถึกอิริเป็นคำสั้นไปมันจะบริบูรณ์มันบริบูรณ์เนีย่ยครันะฮพวพุทธศาสนาบริบูรณ์รวมนี่ผู้แผ่นดินสูบออกกับตรงนี้ทั้งซีกนัหาคนนั่นธรรมานุพณนึงเนี่ย นันทยักผู้หนึง่งสุปะพุทธะผู้หนึง่งเทวัตถพผู้หนึ่งพวกที่ข า, ร า, ารพระรหัระโกรคัลล่าเขาประจับได้เขาอกไปไท่แตไทยเขาจะไม่อมือานเอาไทยไปไทยพวกขร่อย เหมอย่างขาพรมค้าลล่าพรมข้าลาาล่าเนี่ยท่าประโยชน์ในกรารพัาศาสนามากะะมูฮั่นไปขาซะขาพรมกขัลล่ากับส า, รบาเรวด้แล้วน่นพระโคดมอ่ะกีประเด็นนั่นจะพพระโคดมเด็นว่านี่หมู่นหรือไม่ได้กินลาบกินนวดกินยังนั่นเสื่อมมัดนาปูีิเข้ารมน้าฟื้นกั บ, บ่มมี่ รเราพเาเสื่อมบัดจะนเกิดมาผ่านมาบ้านกันนะสิจ า, าทินส์ไดคาพัฒนาลิบุษได้พัฒาลี่บุษกเจียงทัปัญญาพมโอกะล่ากัเจียงทงัพฤทธิ์พวกเดียร์ทีกเลยกะเขามาขาสินะเวรน้องเพิ่นกับเพิ่นมีเนเน่เลยเวรทําทําเวรกเมเพิ่นละเ่หมือนเพิเิดมามันมีเหตุที่ผลทีทุกประการเห็นสนสิมันจึงเชื่อศาสนายางทันออกไหม ความเชื่อในพุทธศาสนาถอนม่ออก่ะซับคุ้ไงแหละผู้ใดบ่เชื้อพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาคนนั้นควนั่นไรซับซัทคาเชื่อสิควรเชื่อยันทับเบองตน้นยันคุณนซับเบงต้นต้นรับธ า, าความเชื่อแล้วยิรียความเพี้ยนความเชื่อของเจ้าของวาบ่พีบุญนี่ เพื่อนละบากบำเพ็ญบุญสติควบกับเลื อ, อไดอได้ใหญ่ในกุศลพืบุญของห้าในทั้งดีสมาธิควบจังแกมันในทั้งดีของห้าปัญญาควาบรอบรู้เนี่ยควมที่ห้าวประพฤดดีเพื่อนก็นจับเป็นทรัพย์คือกันสุดตามายาปัญญาการในเนี่มนมีฟังมากก็จับเป็นทรัพย์ศีษก็จับเป็นทรัพย์ทรัพย์้าไนคือกัน การาข้อหายท่านละบทการฆ่าข้าจับเป็นซับพายน่ปัญญารอบูุสิ่งจะเป็นประโยชน์เด้ว่าเป็นประโยชน์จะจับเป็นซับพายน่าพซับเมื่อนี้สีสามารถตอบพนิ่งพานได้ท่านคิดทํานใ้สูงขึ้นหน่อยศิีนะความลงมจะคล้องได้นอกนั้นไม่สามารถศิีชนะความลงจะค้องได้นอกจากข้าสอนของคุณศาสนาแล้วมีแต่สูกแพลความลงตะเพิ่ตะเพื่ ที่เข้ารับรักพระพุทธศาสนาเขาเป็นข้องบูบอเขาเป็นคนอสลดัดพระพุทธศาสนายุ้ใจวิทยุบนอื่นพระพุทธศาสนาสอนใจพระพุทธศาสนาสอนใจพระธรรมศาสนาสอนช่วงม่ถึงใจพภาษาศาสนากับปฏิวัติใจมีธาตมีศีลมีภาวนา นะล่ส่วนประคุดีนล้ะสวนออกกากายประคุิดีไ้ในใจสาทานศสินพวนาเน่ยมันไปยะดสายผลของธาตของสินของพาวนาไปยึดใจมันไปยึมันอื่นผูรละลึกเข็นกับมือใจเป็นผู้ราลึกเข็นผู้ลูกกับมือใจเป็นผู้ลูกผู้ท่านกับมือใจเป็นผู้ท่านผูาเกิดแก่เก็บตายกับมือใจเป็นกู้พามาควบงโง่ควบหลงเทุกผ้พามา พระไทรนี้ก้มงอหลงแล้วพระหัตแล้วพระอรหันต์ไสรนี้ก้มหลงจะของมามืแล้วเ่อแล้วเมื่อได้มาเป็นถาเป็นธาตุก้มหลงจะของพระโสดาบันนั่นไสรนี้จะของไปได้เบื้องต้นนี่ยำยับพระเสือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดยราคาโทษสามโมหะก็ว่างไรไรเติบแล้ว ม้ักค่อนข้างแหละเอาหลายเติมแหละของนังนกทีมล่วงหลายแ่ละคิมมาจากบา้าหลายแหละเบาแลยคเน่ยสามารถสัญงางความกวาม้านกว้างเลยิตใจมันเบาบุพบบนั้อกว้าลของพระสดาบันลงมากเลคระัจักรลําบากกี่ได้จักน้อยดสอดาบันเนี่ยข้อมอบ ก, กายถวายสิ่งต่อพระพระธรรมประสงค์บุคาลจองคานแล้ว งอญอมมทศาดราอื่นนออมสิ่ออมตายต่อท่านต่อศีลต่อพ่อวานาสามนิกาลังของของตายก็ตายน้าพ่อวานาฮะสิไปเกิดใชกับไอรูกระมั น, น, อ, ม น, อ, น, นอมเป็นยังสั่นอมเป็นยัมตายเเสื้อังส ข้อมเสือในทังถูกควมเสือในมาพูดพระธรรมประสงค์ขมันเสือลงสร็ทแล้วใครมาถอนมันก็บออกควมเสือไปทพิดคือกัน่ะขมันดึงลงไปทังเพิดแลัดมันใครมามาถอนมันกบออกคือกันมเห็นนี่มันเป็นของดิ้งที่สุดอเห็นเราบม่มีบาปไม่บุญพูดแดมาถอนมันกับบออกพกอราะพุทธเจ้ามาถอนก็บออกบาปมีไหมพระบรมาาศาสดา บุญมีไหมพระบรมสารีรากมควรจะพ่านมีไหมพระบรมสารีราคนตาแล้วเกิดหรือตายแ้วศูนย์พระบรมสารีากอธิบายท่านพระเจ้าฟังด้วยโพงนั่งนิ่งอยู่ว่าป่าพระพุทธเจ้าจนมุ่งมุ่จังนั่งนิ่งบจนมุ่งหนกุปมะว่าโอ้ยตาผู้ขากรบาดแล้วเห็นหงียงตาบดเบื้องเห็นหงทางไหน มว้ผองค์ส่งพระคารุนา่าสอนยอาสนเขียนเข็มผู้ขาแน่ค่อยๆกวางสะนะ่งะองอะไรนี่ในระสอนอ ม, มันเกินกำหนดแล้วอันคนถือมมบ่ญบาปไม่บุญพระวุทถุเจากับบสอนผู้บ้าคือคนข้าหักเขาไปเอาเป็นทหาร มันบอดเพื่อนเขากระบอามันมันเขาละเกียงคือห้าวปัหาใมมาเฮ็ดเสาเือนเสาซานไหนมาโกลน้ากระบอามันเกลียงกระบอกเาสร้างมันบอกบอกเขาปะสร์งราเป็นพวหมันบวกกุบคา คนถือพุทธศาสนาว่ามันค้นงูเป็นคนสลาดคนสามเลาไม่ยังแก้กล้ามาบ้างลแล้วแต่ม่อย่างไสั่นนี่คือพุทธศาสนาเนี่สันหนึงนถือพอเป็นในืสัยพอเกิดศาสนานี่เป็นมนุษย์นำ้นพนนนนำพ่นบอกหนึ่งเดี๋ยวไปสวรรค์น้ำพ่นว่าแดีวพบน้ำพ่นว่าส่วนพระนิพพานใอนาทตการนันเถิดผูน ก็ยังดีเขบอกว่าถืออยู่พวกนั้นมาปรารถนาหวังอยากเป็นพระพัทเจศหวังอยากเป็นพระอรหันตตาชีน้ศพแม่ขังนาทางพระเจ้าองค์ที่หลังเราพูดแล้าบอกใายบอกขวั่กกวามีพระพัทเจศก็่มี่นี้ปรารถนามนุษย์สมบัติก็มีปรารถนาสวรรค์สมบัติก็มี่ปรารถนาพุทธสมบัติก็่มี่ติดตามยาากลับหองพักห้องมัน พราปัญญามันเห็นได้ซ้ำนั่นยังดีก็บอเขาราแล้วถืออยู่พวกเรื่องนั้นปัจานะเป็นพระพุทธเจ้าพรพุทธศาสนาเนี่ยมันคือกัรเมตครับอสัทธาทิ迦าปัญญาทิบาวิริยาทิก迦าอันนี้ก็ดีอยู่หน่อของความปัจจานะแท้คือปัจนะพุทธเจ้า เป็ั้นที่หนึ่งปัตนาสาวัตประสันที่สองปัตนาพระรหัตประสันที่สองปัตนาพระหนาค้ามิ่งเป็นสันที่3ามปัตนาพระสกทาขามิ่งเป็นสันที่สี่ปัตนาเป็นพระเสด็จประสันที่ห้าปัตนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติเป็นสั่นที่6กพวกปัตนา คนทุกในวัฏสงสารในปัจจุบันนาชาักในปัจจุบันนาจิตปัจจุบันนาธรรมนักลงหันใครมาบอ ก, กว่าไชก็บไป่พวกนี้บอกเราไม่แก้กา ม, าเออามเะเราเด้อบอลคำว่าใครจะพลาดก็่าพลาดโดนพวกย่างไรกัภาษีนี่มันเหตียดใก็ต้องไปละพวกมองสั่นว่าผูุบ้าเ้าเฮ็ดดำหน้าหรือเ้าเฮ็ดงานเนาะ มัวแฉมันเร็วมึง น, นี่แหลกลายเป็นมืออึ้นมึง อ, อ้งไปซะอุปมาคือพวกปรารถนาวา่าจะคนทุกข์และปัจจุบานนาาันศาสตรว่าจะไ่ได้าศาสนี่แหละการพาดจากขาดนี่มันก็นเป็นพระีลเมตตาอย่างพกไพวกของสารอรถว่าว่าที่ก็อะไรสมปสง์เล ย, ยวสีนอนปรารถนานางปรารถนาย ก, กบอไกท่าเขบทท่ ผันมองเห็นในวัดจ้าสงสารเต็มไปด้วองทุกข์วัดแล้วปัญหามันกำลัหลไปไนไรี้อเรื่องะไรเยบร้ยันงวามันขมันยังเห็นว่าวัดจ้าสงศาลนี่คนท็กถืวัมันเสิม่สุกงูมันกับปัญหาแต่ยังไหลเติปัญหาแต่ยังไหลเติด เียถึงวันวันนี้ก็บ้อมีสุกขมวันทาสงสารนันนี่วะ่นนี่จะเกิดจะแกจะเก็บจะตายวะท่นมันทีมีเงินเป็นเต็มพฟฝาเดินก็บอกผแกผลเก็พตายทานมันเขาสี่หามไปหอดเพื่อฝ่าเพืแนก็สร้างหามสี่ตะเลียงค่ำขันมันปูว่าท่านพ้นจากกิเลสอุปาจิตมาเป็นทุกข์มือนีแล้วะท่านท่านูมีความเห็นสอบนะ่นแปลว่าบามแกล่ามาแล้วหาเลียมสียไปว่าย ตอนนั้นผูกโวยอยู่แหละขาดมดตะวันเนาะผูกเว้ยโอยู่ขาดบดบมันหุดขาดบดอันหุดโวยมนขาดไปทา้งตัวขาดไปทั้งดีอันเนาะแบบนึงมันหุดไปขาดไปทั้งดีเด้มันไปทั้งดีเลยคือเขาหามเนาะเนี่ยมึงมองอเราแล้วมึงจิเต้นกับปลาลำเทยียมวัมนนีเนี่เลยว่าสั่งมึงจไปคาเขาวานเนพออันนั้นมันจะหุดไปทั้งตัวอันนึงหุดไปทั้งดี สังเกตว่าไก่จะคองของจ้ากระดอกจะของเห็นไยในวาตาสงสารหลายปันไดจะคล้องออเทปปากก็ซื้อบอ่หรือเห็นอหรีแต่ถามจะของเบื้องจะประสามผืนจะของมาประพฤติเพราะมาจารมาถือพระพุทธศาสนาเนี่หวงังเพลยังแต่ถามจาขม ะ, ะของเบิ้งคล้องของจักทอดจะของดอก ตอบจ้ของมัง้งมันสืตัวเจ้าของมันเห็นไงสืตัวลงสร้างโอเคมันสืวเจ้าของมันตัวอะไรรอกคนเฮามันคงจกเขามาตตัวยแล้ว รมเขาข้างหนึ่งคือเห็นโลกรอบหนึง่งอะเดือนใหมตาประดองอ่านเห็นโลกเข้า่าโลกที่เห็นด้วยตาเห็นเจดินเจนามเจไผ่ตะล่มทระนั้นประสุ่มกันเป็นกายเรียวกว่าลูกมันดินหน้าไฟล่มเห็นกั่นยั่นี่เห็นหูเห็นตาเห็นดั่งกันอยู่วนี่มันประสุ่มกันเป็นก้อนท่อน น, นเรียกว่าดินน้าไฟล่ม อันยังก็สีแตกเป็นมันสิสลายเป็นดินถ้าออกข้ากับไตปุ๊กนันไตอยู่นั่นเองนั่อยู่กับนอ่ดินสั่งกินกินดินเสมอไงนั่งก็นั่งดินนอนดินกินน้ำกินไฟกินลมน้ำนวลน้าไฟนุนไฟล่มนวนล่มเขาหิวน้ามากก็กินน้ำเดยว่าน้ำนุน้ำเขาหายใจคอกดี๋ยววล่มนวนล่ม มันเท่ารมบวกล่มถ้อตอการอบอุ่นอผ้ามาหมเรียกก็แบบลูถักไฟหอหายใจเขาออกเรียกว่าแบบล่งถัดร่มหนูล่มนุนร่ม ม, มบวกล่มดีบวกดีเสื้อบวกเสื้อ ศีลบวกศีลสมาธิบวกสมาธิปัญญาบวกปัญญานิพิทาก้อมเบือร์นายบวกข้อมเบือร์นายมีราคาข้อมสินกำนัดก็บวกขวอมสินกำนัดนิพ่านก็บวกนิพ่านขอพระมั่นบาปก็บวกบาปก็บวกบุญวะไรข้อก้องก็บวกเขาก้องเขาสารก็บวกเขาสารขิ้ินก็บวกขี้ินน้ำก็บวกน้ำอยก็บวกฝไยล้มก็บวกลม ควมโกกุลกับแพรอยูน้าถาดไฟวัดต่อมาต้องเพ่มใหม่เพิมผัดไปมาแพรไปยุน้าถาดลมบิ่มแข็งลักษณะที่เป็นแค่นแข็งถไปรวานไม่ได้ถัดดินบัสนะมาเปโลกธาตุน้อเสียงโลกธาตุธาตุที่แปดอินซียีย่สิสอง จะคูท่าตูลูกปลาท่าจุจะคูวิญญาณนทาตุโซตาท่าตุม 90> ันหูสัตท่าาตุโซตาวิญญาณนทาตุ้โซตาวิญญาณกับเป็นธาตุขานะท่าตุคขันธาตุท่าตู้ขะวิญญาณนท่าตุ้ขานะกายวะกินกับเป็นธาตุขิวหาท่าตุ้เลี่ยนกัเป็นธาตุละสาทาตุรสกับเป็นธาตุทำพิธาต์อันนี้เธาตุรสอร ทำเพียรทำมิได้ทำวัดขัดก็ดีทำก็ดีขันก็ดีกรลมลงรม้าเป็นลุกคันหน้าคันของเก่าคนละนี่ยั้งสแค่สองคนน้งคันหนึ่งหิ้ารอบเนี่ยมันยัดออาไปวันยัดออกไปกระจายออกไปกระจายอกไปนี่ทอดขม่าทอดขม่าทอดขม่าหายว่าใจใจถอยเอกไปย้ายออาไปจากหายใจใจทอดขม่าก็บ่อดขม่าถอยายใจใจทังดีก็ได้ทั้งตัวก็ได้ เพราะพู so ้นเป็นผู้สางเด่ผ mhm ู้น okay. voilà ี่เป็นผู้หันลงกอนแล้วผู้นี่เป็นผู้หลงคขามาหลงก็นแล้วผู้นี่เป็นผู้ผู้หลงก่อนใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้รับเมาหันกับพยัญจีตลาดผู้รับเมารับเอาบัตรตลอดขาดทุนกับแม่นผู้เพิ่นกำไรกับแม่นผู้เพิ่นค้อมีอวามเสือกับผู้รับเมาเอาบัดบาปกับผู้รับเมาเอาบุญกับผู้รับเมาเอามักผลยิ่งพลาดกองผู้รับเมาเอามืนผู้สอบผู้ปรสอบเมั่อกว่าหมอ มออ๋อทั้งดีท่้งบบดอันหมออ๋อทั้งบุเมันกยังไข่ได้อันนอออทั้งโมีบบาบี้บุญที่นี่แหละมันมันเจ็บอย่าอันร่างกายห้องห่อนี่อประมาคือรถขับไปทังดีมันก็ดีขับไปทั้งตัวมันก็กลัวตัวขับไปลกบอลร้องขับไปทา้งโมบีบามีบุญที่ีแมันอุกห้ายอ่ะงงทั้งวัคุณพอไม่ขึ้นแม่เขาไี่ยบาเขาไม่ยบุญเขาไม่ยังขับรถไปเขาอยางคิดตลาด ว่าพาสร้างบาปสร้างบุญว่าพาสร้างข้อดีละบดมันคับไปละมันับไปทั้งพิษละนัดนกับว่าเขาพระเจ้ากั บ, รนบน่รถเห็นกบสวนล่หนของง้ ม, มีสา ม, มือคนทำดีกรัทาหมายจะฟ้องท่านชื่วกับท่านหมายจะฟ้อง อ, ง, งอย่างคิดตลาด ถ้ำหัน้อื้นมาได้พญานระญานมัช่วยาดวันพญานิพตระลาดสีไปทําสวดประซดพระกุฏิเจ้าพริดห่อนนี่ยังพขอกซูพระนิพพานจีไปเลียนประซพระุฏิเจ้าพระเกิดหอนี่ยังพบอกตัวพระแห่งเราจะดเพีเอบัที่หมายพฤศบอเราพกัน ไปเขาซู้คพน์คว้านหรอพจน์จอนนี่ยังถ้าท่านพ้นคิดประสดพระพุทธเจ like ้าพนกับพอนเนี่ยถ้าจะเป็นเล่เล่พระพุทธเจ้าประสดพระพุทธเจ้าพกับพระอนเน่ยพนบอกข้าพ่แห้งมดนี่เอาได้ดิพ้นบอกข้าวพ่แห้งพ้นสร่างข้าวพ่แห้งตอนนั้นข้าพเจ้าว่าท่านได้บอกพระบอกแน่นว่าท่านได้บอกอุบาสกอุบาสิกาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สอนตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สอน คนก็บเด้เพียงวจคนนี่ตอนน้นก็สอนบัแล้วกูว่าห้งสู้แล้วบานนี้ว่าจเมีย่ า, อยากอให้สูวัติได้ดท่องจค่อยเอาอยากูอี ก, กพอพออเพว่าแต่ลพระองค์เจากระังหลเนี่นยทำทำสอนสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนท่านทั้งหลายอานุนจะมาล่องให้หาเราอะไรมีอันไหนเราก็บอกหมดไม่มีที่ปิดบังเลยอานุน เธอเป็นผู้มีบุญแล้วเธอทําอะไรครับเราสถากพัดเธอไม่ได้หวังลาบหวังรถอะไรเธอเป็นผู้มีบุญแล้วเธอจะสาเร็จเพราผลนี่ผานต่อเมื่อเราทิ้นลมฟานไปนี้ประมาณสามเดือนเนอะเธ อ, อยาเสกใจเถิดเดี๋ยวว่าเทศเป็แบบกบรอบยนนะอน่นเทศผาโนนเทศแบบกรอบยน่นเทศแบบคู่แบบเข็นคามีแบบดาครับมี มันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักป่าโมข้าบุรุษเถิดดาพัชชุทินพัชชุทินเปลี่ยนเมียจากของเปี่ยเมียพัชชุธินเปลียนเมียจากต่อผงดามันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปา่าโมข้าบุรุษชิ้นไหนที่เราบอกเธอให้หายจากราคะเธอเพิ่มเอาราคะมาบวกเข้าให้หายจากโทสะเธอก็เอาโทสะมาบวกเข้าให้หายจากโมหะเธอก็เอาโมหะมาบวกเขา้า ไม่มากขึ้นโมฆะบรุษโมฆาบรุมมอเรียกว่าอุบายเทศดานอุบายเทศว่าปากข้ามี่ว่างเสยิชกับนีอุบายว่างเสยกับแบบเพิ่นเพราอธิบายจังมาคือว่าบันนี่บบนี้คุณเทโรบายตลอดต่อเทียงข้มี่เียงกับไปสอาธรรมานก็มีเทียงกับนา่งมัลลิกานโอหกับนั่งกินจีนอุบายนเทียงพระองเจ้าพิ เขากระหาอุบายใค้พระองค์เจ้าเป็นยังนั่งกินจีจะงมากเบียดเบียนพระองค์เจ้านั่งกินจีมันไผนั่งกินจีกับนั่อมิตรตาหันผูน้เคยเป็นเมียภาพสู้ศพเคยเป็นเมียประเทศวัรนศาสตรกรนั่งกินจี พ่อต๊กมาศาสนานาพุทธเจ้าของ้าพ่อต๊กมาศาสตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเเี่เป็นนั่งกินจีนเข็ตอลอดราเทียงเทียงฆ่าธรรมะสระบ้านพระพุทธเจ้าของนั่งเข็ไดไว้ในธรรมะที่แรกกับมันเขาเลยจ่างนังนั่งกินจีนมันเป็นคน้นสวยเนี่ยนั่งกินจีนเป็นค้นสวยเ อ, อ เ, อ เ, อวเอาเอาวิ่ีไหกเอาอะไรเอาพระสมณโคดมเอาเอาที่ไปจ่างนั่งกินจีนแตบช ภาะรรมะโคดมเสียสื่อเสียงอิสระภาพเขาครับท่าเพราะเจพัดพระธรมนาโคดมเป็นพระพุทธเจ้ามานี่มูฮั่นอื่นรอยักคดเคยรับถือกับไ่นับถือว่าไรว่ไรว่าไรเอาไรเหลี่ยมยังได้สังพระเจ้าก็หลายารพัดพระเจ้าเลเป็นหัวซาอย่างเ้าเสมอเนี่ยใกล้พระพุทธเจ้าอีย่งพวกกระทกระเทือนพระพุทธเจ้ากระทุกระเทือนหลายกว่าห้องห้องสั่นไวทีหัวซาอยังสมมูฮั่นเสมอเนี่ยเขาไม่เบียดเบียดมจะเสียวพระพุทธเจ้า่ ไปกางนั่งกินยิ่งับคนหาหาว่าพระองค์เจ้าเลี้ยงนอบ้ากนอกศาสนาล่ะกศาสนาอื่นไปก็สมมติว่ า, มมวาเอ า, มม า, เอาจะ ส, สมมติไกสมมติผู้นี่ล่ะเอากระบ้านเท่านี่ล่ะกระเบื้องเป็นปาบาดนี่ล่ะเอานี่เราคัมมาแน่แต่นั่ ง, ง, งกินยิ่กัน ทั้งทาทั้งทามาต ad, a, u, u m m um. ิวัดมาจากวัดพระองค์เจ at. ้าบนอยู่เมื่มาได้แสนหน้ากันกูก็ออกมาแต่วัดว่าคำในเรื่องว่าสกูไปเลีนน้่งพระองค์เจ้าห้องวัดทั้งทาทั้งทำทาออกไปจากบ้าห่ังว่ามาติวัดทั้งทาจะหันโดนเติบทั้งทายันโดนเติบแต่ย่ามือเศ้าทั้งทามาแต่แด้ มาแต่ตวัดป่ามาแต่วัดพระองค์เจ่าเมื่อวานอะไสหูหน้าน้าพระองค์เก่ายมากขึ้นกราชั้นหูหัวก็ลกมากอย่ยวนี้่รสันเพื่อก็สนุสนานคับหูเยอะมากขึ้นเห็นไ่ะมากขึ้นนี่าไรสนก็ททำทามาสิคือห้อง้านไหนมาถึงวานดอกโดดเติบสุบว้านพอจิตพอจิพอิตได้สามเดือนนะฮะประเทเนยเร่องฮนี่เอาาภูดท่องไว้ันได้พ่อสามเดือนปลาพูท่องไวาท้าทำท พ่อได้เสมอสเดือนวันแต่ทับทายคือเกาลัพอได้หเดือนกทับทายจะทับเกาหันี่้ว่าผูมท้อาอีกท่านพอจะถึงเกาเดือนเนพระจีออกรเด้บันเนีเฮ็ดทองไงก็เกาหันเนี่ยวันน้นนี่เขาเอาพ่อปันนั้ปนรเดียบาพระพุทธเจ้านงเทศนาเยรวันเนี่ยพอผมบ้านเกาเดือนหะฮะเรื่องพระพุทธเจ้าถึงเกาเดือนเด้จะคอยมือนั้นนึกเข้าไปเอากันมาไงวัน พระองค์เจ้าหงจักแล้วขออกไล่งังไงหงจักม่ไ้กลห้องนัง่งมันเป็ยนยังไงมาพราะองค์เจา้าออกหงจักแล้วองค์เจา้าไป็นจะมูลงับิทเขี่ว่า่นบวกกลห้องหน้าเรา้ป่อยเห <c oughs> ็นเป็นตาเหลื อ, กลองกับห้องหน้ามันค่อยเป็นมากแล้วมันหามกระบไวกับมาหอแล้วพระหามหอนเ ป, นปล่นพระนาันเนี่เดียวกันมันกำนักเลยเหมือนพระองค์เจ้าจมหามของี่ีว่า่นก็บหามเราก็ให้มันเนนป็นไปสุดกำมันมันไปหเห็นไปสุดม่วมันจะกอนหนังห้านบ ว่าสัตว์คนถือ่เสื่อยว่านหอันนี้พระองค์เจ้าประเทศส น, นาโยแลบานเลยก่นห น, น้าอันผาคุมาา้มมากท่นาททนเคุ้มมาเท่วงเงีมพัะพุกคล้องแ่หพุกคล้อแค่พุกคล้อแค่พุกคล้อแค่วหนเขาแก้โคตรเนี่ยพุกมาเทียโดโตท่านเอา้าไพุกเทียน่ะพมาขามากหน้ า, ามาันโคนสวยเด้ นั่งนั่งพับเกียบแล้วบา้านพับเทียบเลี้ยบที่นี่นบา้านนี่ถ่อ ง, งยังไงสิของเก่าเดือนเด้อของผู้สาวเท่าผู้เก่าซิบด้อผู้ผูผู้สาวเต่าผูเท่าซิบเด้ อ, อพราะน้ะอก็ยินถ้ายอนก็เลขเนี่ยมีแต่นู้นหน่อยมามาแลนด์คนนี้ ไ่ใคเห็นเน่ยมีนะมีเป็นนู้นน้อยมากัดกัดเสื้อไมคอ็ได้ออกันก็เลยบัดานให้นา ง, ล, นงน ล, นลุกท่านเนี่ยเทพระอิน์บันดาลให้นางลุกนางก็เลยลุกท่านลุกขึ้นไม่ตกโผ อ, อ่เต็มตะลยออกเต็มบริเวณเนยผู้ที่เดินไลก็เตะค่ะงานหนว่านะนู เพือพะองคเจาก็เลยบอกห้วยจะไปเห็นนางเลยว่า่มันบาด้วยว่าแต่กห้องนางเราว่าแต่จะไปเห็นนางจะบปเห็นนางะไปเห็นบลาบไาบว่าแต่ไปห้นางไปชานัง่งไปกับห้องนาเราไปเห็ได้ว่าย่างไปพาปลบบริษัทตรวจตัวแคดีกับูบอกเอานกำขั้วกำกำหนักให้ผนทางตา ถ้านบาปส่วนนึ่ก็เป็นติดกับพวกเดียรลัทีุนเอีกขึ้ น, นแบงเอาคนละเครื่อไปพวกนั้นหลาบแงเชื่อมโลงหลายเกาแอะบอ้างเาก็สืบไดท้ที่มันมาจากไซม์มาจากไซม์เขาสืบได้หมดมาจากพวกนี้จากอยากจางหน้าเนยมก็ทุ่เคยเบียดเบียนกันมากล้าแลววล า, า, าแล้วโเลยเศาสตรกรเ้านสตร์แล้ ว, ล ว, วเลยสาดไป ขอพ่เวทสั้นรอนให้พ่ะเวียสั้นรอน อ, นอันให้อิตภาพขอลูกกับแมนน่หน้าผู้นี้แหละออกว่าิดอืะออกคิดไปเบียดเบียนไม่เอากันมาอไรสารละพรมเลยนั่งใช้ห้ายูนภาษาอย่างไปถึกโผกลับไปเป็นทวันอิตาของโลกสมว่าใหสูงเหวขอม้าใส ไหมันจินมันคนจังไห้สั้นคนจังไระภาษาไทยบอกว่าคนจังไรมาแล้วคนฮอรลอนเข้าบ้านคนฮอรลอนเข้าบ้านไม่ขี่เสนียงสั้นเพราะว่ า, า น, นี่ไปจานนาา้างมนะันนี้รับตัวถ้าจะถืออย่งฝรั่งเมื่อสั้นเลยกระทบเพื่อนทั้งฝรั่งห น, น้ามูห่อเนะี่ยองค์อินถบายบอกองอินสบายบอก พญายินบอกแล้วต้องหานังมาให้พญายินนั่งมันหนาวเรา่้าอมอวาเอาพี่ถนอมมาทำมอส ก, ก็ถือพี่ถนอกนี่กู้สางบาลนี่ยุคคู่จะ ก, ก่อ <usion> สังพ <ots> <ible> <problem> <zed> ังเกือบถือหัวตายองอินเกือบตายรอดตายผู้จะก่อเออเอานีปูให้กันนะ ห้องกระโดดกระเทือนมันผิทอพระองค์เจ้าย่างนี้พระองค์พระเจ้าพระองค์เก่าท้ามาพระแห้งแล้วที่ว่ามินทบอดเชื้อน้าสนะไอพระองค์เจ้าทามาพรแห่งแล้วต่มื่อวานมือกขึ้นกันแล้วของพระองค์เจ้าอะไรหมอห้ามมาจะใส่จะไหนง่านิ้วมัน้องตัซหน่อเรียบกลมนตัวนี้เยบขีกตอคนตัวนี้หลวงสันตวรรค์ขึ้รถางไ้พรแห่ง่ะ เดยมีแต่พ่อหน้าอ่อมต่อห่อนแต่มันอาหารก็มันปลักกินโลดตักกินโลดของตัวอาหารห้าวมันยังบูดเป็นอาหารของพุทธเจ้าบูดว่าเป็นบนทางของพุทธเจ้ากับบนทางห้ามันเพลเป็นว่าน้าม็โต้นโศกพระพุทธเจ้าเห็ดทางว่าแบบเปิดอยู่ประจอาเสียจะเทียง่าป็นอยู่บนทางของพุทธเจ้าท่านสิ้นพ่อหน้ามันท่าแป็นอยู่ ใครทีปฏิบัติพ่ปฏิบัติไครที่ขวดว่าวดก็เปลี่นอยู่หมือนถ้ามูอเฮ้าเนี่ยคำบบ่าวดเอาานหกห้าคำว่าต็กางเอารถจนตัวาำว่ารถยอดรถยอดเนี่ยเข้าขี่ขึ้นรถพวกปันนี่รถเครื่องกันเครื่องยนตเอขึ้นมัดเมได้หอบขึ้นขี่รถน่าห้าซว่าห้าเป็นคนรายากไรมิตพพระพุทธเจ้าขอให้หาเมือไหร่ซับพอแห้ง ซับแ่สินเพรแห้ง้องเป็นขเพีเพาห้าวห้องพอเห็เป็นข้เพียรเพาห้าวขเพขาวโมีนี่เพื่สอนมอนเอดเราวางเลยเนี่ยอะรเพื่พในสอนมันนี่ยังแนวบวอประชีพเพ่อการสอนไปย่อเพื่การสอนจากผ่าเพื่อการสอนกินเขาเพื่กาสอนอันนี้เพื่อกาสอนไม่คมไม่คอมคอมันเกี่ย า, ากับาเราเห็นดีเด้วอว่าพุทธเจ้ายึดที่ยึดาอะไร ขันยางแน่ไ่ซีนิ่วนี่ขวานไผ่แปดนิ้วขันแปดนิ้วันเฮ็ดขันลายน่ะเเข้ามาแก้งนี่มันถุยกระส่นมันถุยขี่ส่นเขาโ ง, ง่จากรพระนริโตโกพุเจ้ายเสื้เอาไม้ค้มาสั่นรอเห็นปก้กมมาสัน่นยัดสเมอนี้เข้าใส่กระดาษไม่ได้เอาดาักม้ตวตนใส่กระดาษให่เข้ามนบอบใส่กระดาษเก็อบอกล่างโรดห่อนั่นบอ๊อบวอกออกโรด กตะตากพาพระ อ, องค์เจ้ากับบอกกินพระ อ, องค์เจ้ากับบอกใครจะ ไ, ไปบอกดีวันพระ อ, องค์เจ้าหา้อสอนปันสอนย่าหน่อยตัวเขายัางสียวามันเฮาเป็นคนอเลาดับอกง้ลไรจิตายตัวกินข้าว พอมันมาห้องนี้เยอะสุเฝ้าอ้าวไอ้เด้อว่าสัพวัลเห็มันใก่สกอสัตว์เยอเ็ดกงีมูลหมูหลายสัห้อนี้เทกันอ้าจะไปแลบดิษลบด้วยสิ้ว่าสัตห่งนีห่งดดไหว้สัตวอ้าเชิวดไหวเห็นพ่อนพอดีกับป่าสะพันเยสุพ่อยจำนะอ้ารวเด้อว่าสัพระพุทธเจ้าก็บอกวดีก็ได้ว่าเยอะจุไป เมือเปัน่ราะคแล้วสุดเป็นเรียบพิศคือหมาหนิว่าัแล้วสุดปสันันกัดๆว่าสิตว์สี่แล้วสุดไปนคือกน้อยนี่ว่าสันัจะไปสัยันสุดๆจะไปสันเรียบมือคือเรียกน้อยว่าสัตอ์หนัพระพุทธเจ้าสอนบัดนักทั้งละพันละบัดเปปัดสวกคือกัน ยัดจุดาเอาผาเคล็ดเออุ้มเด้อวะสันให้นั่งลงสะก้อนแค่อยขึ้นพาขึ้นวะสันนั่นบัดสิลุกก็คือกันยัดจุพาเคล็ดเอลุกกระเสริให้คอยปกสะก้อนแล้คอยลุกกระเสรินัน่นบอกวัดตีนเปื้อนเฉ็ดแล้วพอ ด, ดีล่างตีนอะเฉ็ดใช้พอดีวนะสันทันเฉ็ดพอ ด, ดีแนละ้วเขาว่าเป็นห้อยนิ้วเท่าเป็นอวัตทุกบทเด้อวะสัน มันทุกข์ก็สั่นมันกดข้อมันภาวันหน้าบอลลุ่มกันบัว่ามันบัวได้สมาธิสมาบัตนายอันทุกข์กดมันกดข้อไว้ไว้จับว่ามันเป็นห้อยนิ้วเท่าปั๊บเอาวัดทุกข์กดเหตุสั้นพระกรรมฐานปรยุทวนนี้มันจะเปลืองน้าตายกร็เรียวางั่นล่างคืนกระล่างลงกระล่างบัต ล่างมันดีเนะอาจารข้างล่างมัดีนะมันมิมิกินเข่าเยอะเป็นอาบัตเอ้อนั่นฝากล่างมันดีเพราะแต้วันวาเนี่ยล่างม่นดีมันถึงมิกินเข่าเยอะเป็นอาบัตนะเป็นอาบัตวิการะโภคนั่นข้อมซ้อพระพุทธเจ้ามันเป็นกายบริหารอยู่ในตัวแล้วมันเป็น แล้น้ำไม่เยอะแน่ตัวแล้วพระพุิเจ้าอ้าอนพระพุทธเจา้าห่อพระพุทธศาสนานมันดีเพราะแห้งแล้วมั น, นมันประหยัดอยู่ในตัวแล้วมันเป็นคนท่บหมันเยู่ในตัวแล้ววา่าไงพระพเจ้าทาหมันอ้าวพวกผ้าห่มอมันเอมึงรู ไปออกไปยุทธ์ถ้าคารวหลวงพพาก์ห้องมั่เนี้หน้ามันเอเ๋ยเฮื่อนมันเอ๋ยลูกมันเอ๋ยหลานมันเอ๋ยเหลมันเอ๋ยคนจ้ามวนจักแสนนีน่ยย่ในย่ในประเทศเท่านี่นเ น, นี่ยประเทศไทยนี่ยนต้อก้อีแสนแน่หลคนสีแสนทุ่นี่น้อออกไปเอาลูกอองเงียงลงานี่คิดเฉียแต่นะครูคูเนี่ยคูละสีะค่ ค, คนเน่ยเอาคนที่สามออกบาสามคนะอะย่างไหกัท่านไดละสองคนปกติเฮ็ดมันละอเนี่ ท่นนี่หน้ามันเอ๋ยลูกมันเอ๋ยหลานมันเอ๋ยเหรียมันเอ๋ยให้มันเอ๋ยหน้ามันเอ๋ยเลย่านนีเจ้าที่ใดที่ดินใช่มันนั่นอ่ะมันเป็นเรื่องถ้ามันยังได้ตัวแล้วพูดไปเจ้าพวกเขาพวกที่เขาจะขอออกบวดหลายพวกงูนั่นเขาจะไปเอาหัวง้อทันสินลูกสะแกะออกมาเท่าไหรสั่นนั่นให้ซุ้มเขาซื้อสินซือทั้งมาเนี่ยว่าว่าตอนน้าพ่อเจ้าเขาเอาวัตถุผสมกันเอานี่หมูวันพาววันเจ้ามา เออไอ้พวกประเทศพวนีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อั้ล่ะครับเนี่ ย, ยพุไประเทกันออกมาเต็มแผ่นดินเยอะแยะหาบน ส, สีแตกกบพวกนี้นั่นแหละมาลบมาเลี้ยวเขาอยูนนอ่นั่นทนบอกนั่นพวกนั้นว่าทำไม่ได้ก่านั่ น, น, นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนคนไปสวรรค์เดไปนิพพานเดไปพบวัโลกแดไปเที่ยววัโลกแดนั่น่ะ น่องมมีศาสตาพูดย้นีด้มันชิมจีกันสอ น, นองเว้นสอ น, นองพผอยยนนี่มันบไปใสแล้วที ม, มัเป็นสั ต, ตสย์ทีสารสีเป็นศพมรรคกี้นี่นี่สวรรค์กับจิปาวางนะฮะเนี่ยต่ี่จะสัตย์ทรสารน่เป็นส่วนมากะฮะเนี่ยมนุษย์กับิีมีหนอยอเนี่ยนพระพุทธเจ้าเ น, น, น, นี่ยข้าพูพฤติซ้นักตไปซ้ำหนักอนสงของผู้สนพทนบุญไปเขาสู้พญ่พฟาไปแล้วมากก็ไม่เห็นไม่ได้ ขนมพัน่านวนมันิระจอในไต้ลกทาเมันยังถิคลักาย็นี้ะบอกนั่นพวกแบบนธผ่านเนีมันมากกเดืีมาใส่ต่อมหาสมุทรซมหาสมุทรลอยโกรมหาสมุทรนั่นพวกนมัารปล่องโ้วเนี่มันถิ่นพร่กันที่แตกอยู่ในไต้ลกทานี่มันจะข่าวฟั้านแท่เกมก็นี่ะบอกนั่นถ้าเม่าเห็นคุนเห็นคุบุพระธรรมระสง์อันนี้มันเป็นเมืองคืออพุธศาสนาบนหลาในไต้ลกทา มันเป็น้องเขามาใส่ันก่อนเลียกก้าเนเปตัวตัวมือนคนเข้าวาวัดนั่นรวยนั่นวัดนี่รวยนี่มันขี่หื่งกันอยู่ในน่องนว้อยห้องจะโล่งเข้าขันมอบต้ใจโลกธาตุนี่ยเปิ้องพวกก็ไดเจ้ามันจะควมขีหึงกันตรงนี้เขาว่านั่นว่ามปนห้องตัว่าเป็นมันห้องตัวกของเนาะมีนวยกับเ็นห้องเพื่อนมีนกับนห้องเพ่นพวกเป็นของข้าหอกข้ามเลียยขีกระตือเพรสัตว์กเลียวเดตัวนี่ มาขีดขึงกันว่าวัดนั่นดีวัดนี่บ่อนี้เฮ็ดจังสันเฮ็ดจังซี่ออ้ยมันยังว่าเทิงใจใเฮาเพราะว่าประเทศไดนสิ่นี้งันร้านนั้นโกงร้างเร็จผมว่าขีดขึงผู้ใดเอ่ยเมื่อไต้ลกทานี่เมื่ตะกอนเกิดคุณเนี่ยเปปวนได้แตกสลายทาา่านะเพราะเาบองสันว่าเออองสันไง เขาใจเป็นของประเทศน่นเขาใจเป็นของประเทศนี <clicking the mirror> ่เยอเขาใจวัดผู้นั้นเขาใจวัดพุนี่เขาใจว่าสัมาผู้นั้นเขาใจว่าสัมาพูนีเขาใจว่าสัมเพ์ันผู้นั้นสัมมาผู้นีสไม่ใขี่กระตือเขาพด้อเขาพว่าว่มันมั่นแม่กไปยังเฮ้ยบอกว่าเนี่ยพ่อจะเต้นกับข้าวมเอาต่ำกหมงไม้มาตายมึงปวดต่าเนอะมาขิงกันอยู่นอกๆขี่หงกินที่แตกที่หงาค่ะ นี่กระตือกูพูดที่เจ้าตัวข้ามาเห็นยู่สูอยูเพัดฟาถี่เหมือนกับตัวขาเราอสังว่าแม่มาส่งเราสแม่พันนายบอกพ่อมันข่าฟัดกันแทกันนี่บ่แห้วเทียนจกน้อยเจ้ายันทะเบิ้ลทำไมนี่ผู้ในเขาตั้งกฎหมายประยูกเได้เป็นให้เป็นหน้ามัหรอมันม่ยมันจินมจไปเสียแตกไป งอของท่านว่าเขาเนี่ยวัดสูงอรนี่ฮี dır, ม่มันปีนขนูขึ้นามันปีนขึ้นปาตาย่มันมงอยู่ยกับปีนขึ้นไปที่ถือว่าจะไนจะพอเจ้าเห็ดบุญทงหน้าเขาบงเทมวัดเนหรือเขาบัเขียนดังเจ้านู้้าน้ําดงน้ำดอนมันก็งย่างะบานเนี่เป็นวัดเป็นว่าเมื่ก็ขึ้นเ่งสมัยผู้คาครงเรียนนู่นมันมมีคนอยู่ สิเทีย้านเดี๋ยวนี้มันหาชินพเลย้านะมันที่แตกใสสรมันยู่ใส่กี่วันกจน้อยแต่มันมันสิได้พื้ก้อมไม้ไม่นั่น้ผู้น้ำขอมันต้องจะเป็นบ้านหมดเน่ยมันมุ่ยมันดูเลยคือเรื่งรูปภาคใต้ภาคตะเันออกนี้แต่บางจังสิแหน่วงภาคอีสานกันืองั่นมันก็เป็นคแท้แล้วแหลมเข้าไปในมหาสมุทรคิดุตกวามันก็ถ่วงอถ่วงอ่อมเอรถมากพักเอาพัดเอาเพราะเราี่มันยูนั้นเงี่ขึ้นมาภาคอีสานไม่คนดู่ะไร นัะคนมาลายขุนเรืยก่อนเรืจากไหนถึงเขาตีอันไหนได้ตีเบัวไปเพราะเนี่ยพาดเพราะจอกระต่ายยังนีกันนั่นโลกอันนี้มันยัดมันเหยียดยุ่งขนาดนี่พุทธศาสนาคนอยู่ออกเสือดมีพุทธศาสนาคนอยู่ออกคนแหงสิหลายคนีหว่นบอกเาสั่งสวัสดีมุนมาดิไซสั่ ม่จากอายุวโนสุขังพลังตัวโ่พีอายุวโนโสุขังพลั ง, โโส ง, พลงสมาธินี่เสียงคาเสียงแกงน้นั้นโอสานอรอเด็กผตีขวไม้มาแม่นฮอกพูน่ะแม่นฮอกพูนี่ไโลกอ่ะเนียต่โลกธานะต่พนพบว่าโลลงมาข้าว่ามสมบัติของพรทธศาสนาท่งนั้นได้เดียเนี่ย้คำสอนใดๆในไต่โลกทาตุเนมันเป็นม่วงขก้นกว่าคำสอนของพุทธศาสนาหมดเลยเดียวเนีเจ้า ลักอขมรนพุทธศาสนามาเป็นามศรของเจ้าก็สร้าขึ้นน่ก็เป็นลักอเมือวานก็กาไปลักเอาขนนกงูมาใส่จะคล้องกาตัวหนึ่งนึกอยากจะให้วิเศษยิ่งกว่าเพื่อนกาด้วยกันจึงไปเก็บเอาขนงอนและขนหางของนกุงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาใส่แสงขนของตนศาสนาอื่นเอาข้รนพุทธเจ้ามาแส่แสงกับกานกระเจ้างึ้นเนี่ยกาบัดสิไปเอาขนนกงูมาแส่แสงมาเล็กสร้างขึ้น่ มีน้าซ้ตัวเขามห้องว่าก้า้อยู่นี่มันก็บอกเพื่อนนี่ดีกว่าอะผู้นีตอัศ์วนี่มันวาอัศจรรย์อัศงุทธ์ชาวบ้านโจมตีพระพุทธศาสนาอะไแหงกระทบกระเทือนใของทุนมาไล่ถึกฝ่าทะเแห้งตกสนาจาของว่าได้ขึ้นวิทกได้เทาซื้ออยู่หึ่งครัพุทธเจ้ากับน่อยู่ดีกาอะไรแห้งกระทบกระเทือนหลายคนแหงคนนี้ของลาบคนหลายด้ก เอาข้าเท่าสว่าวัว า, วากุทธิวิหารสมัยสมือนี่มันโอทวงโพดมันภาพุ่โ พ, พดไว้สเอา้านั่งวิสาขานะ่สร้างวัดถวายพระองค์เจ้าชิ้เก้าโกตรผู้ดเดียวแต่เผาเดียวก็ได้แพ่ไปแล้ว น, นี่มูอห่อาาสัชอบช่อขาวจ้าเขียวเกือบตายวันเอะแตยังว่าตัวลุย้ยลุยตายใหเอง อเอหน้าท้าบินทีกษตรีทีอ่ะถวายซีจุหาโกรดกระเป๋าเดียวเม่ร า, ายก็ห้อนเลยวะเพื่อนลูผู้จา ม, มะเพือ่อนเอาผ้าไหมไ ม, มาเสียตีนกูไปอ้ายอือเอาผ้าไหมไ ม, มาเสีตีนเนี่ยกรอบผ้าบันดีพอโพดไดเสรัจเขาว่าให้ผู้เทามันพอดีของพระเจ่า พร่ตะาพบานบวรเหมือนเดิมัานบวรเขาเอาผ่าพบมนเมาให้พระเจ้าพระสงเก็บหมือนดมมันแหลมคผู้เฒ่าที่ฮันห้องไปเห็นหนาเดียวเจ้าผ่าคิวห้องเราเจ้าาคีเดียวมากเมอกพระสามุ่งเครื่องบังเครืงพุติวิหารเมือนห้าไปเห็นบ่นเดียวห้องเราออกเดียวหน้าท้าบิดดีเลยเด้่ยสี่สิสี่าโกสังวัดเพราะเม่อีขียะไปสั่งเขาเขาไปสั่งเพื่นอยู่หลังเขา พระเจ้าไว้จากหลังพูโอ้อพุทธิวิหารวัน้องอา น, นี่บางข้าวา น, นี่บางข้าวราบข้าวมาพุทธเจ้ากบา็บอกว่าเขาเห็นด้วยสมือนะ่อแเขาแกเกียนน้ำร้อยน้านำ้นำอ้อยหาไรเลยน้ำก้นพระไปสมือนี่นี่บ่บนบุญี่ยด้ขาวาอย่างไรกระเลมเดียวขนาะดย่างะเงิน น, นีข้าวพระองค์เจ้าแสดงเงีมกปฏิหารกองผ่าเพียงแอวนี่เพื่องเอวด้ก่วงตั้งช้เสียนหาเสียนบรรุ้กกองยองันเดียวเทนี้เต็มมือผ ล, ล, ล, ล, ผลนั่นเอ้าพรขนว่าลาพระหลายยังสมงนี่ขันว่าพระที่ ส, สูสงสิลืมตัว์พระศิวลียึดมือได้๋ายผ่าไก่เพียนนี่มารย์ท่านผ่าเก้านเอาไปใช้เอาสมไฟทิ่มบ่ ก็จะให้มู่ตัวผู้ข่าวว่าสุมือนี่เฮ้าแต่ไทยแ่ายผาปีละไก่แต่ว่าตัวรวยดีรวยตายอย่างเม่ยโมเสกโยกกขาวอาทั้งนั้นในเมีย่เยคัดว่าเขาบอกด้ทั้งทิั้งยาและกระโปรตัวเว่าทั้งนั้นทั้งมี้ใมเว่ยของมันมีอยู่เป็ยนจังบอกมาอกาวาทีหรอกว่า เสาห้องเก่าข้ามตันข้างแทงเี่ยอดท่าฝาพิลาเกี่ยวไ่ไมใสนี่ยห้องนี่เสียาเฮ็ดเสาซันนี้ก็ไ่ตสิได้บ่ที่ขากาดตายบ่สโอ๊กระตม่านเสียว่าล่ะโยกกระตม่านก็พระพุทธเจ้ากระตม่านที่สันติเสียรยังไงนั่นห้องเสียวคล์ดเต็นเอลทับถมห้อพอด้นมันกับเจ็บที่ยุ่งฮว่ากันเนาะออนี ก็อกให้หมดคุณแเลยไหมเหมนเอาพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าอยู่แต่หัวใหม่บ๋กับสอนให้เาแต่อยู่หัาใหม่เขาจะไงกันจะบอกไม่ให้พิเปิดเขาออกนี่ฮะพระารมุ่งเครงบางเครงกัยังมีว่าฮานังบวนเขาก็มุ่งแกวพิปุ่นแก้วหงุดนถ้าอวบมุ่งกุฏิเวหาสาราจิภาษาอย่างอันนี้ว่ามันใกล้เขาเนะ ใกสีแดงนียันนนย ง, ยยงนยังสีสพัายยังอะไรตั้งสิจะเพิ่มทางพุีิดตหอกห้องนี่เม่หน้อยกับติ๊ดน่อยเม่หลายก็ติ๊ดหลายของห้องมีิเหตเันเพนิ่มทางพุิอย่า ง, างนี้รว่าันี่ชีวาลี่เย็มือ ท, าา ท, ท, ท่ายพาบังท่ายท่ายพาจน พระอาโนไในรับพระบางสกุลเละแสนองนะวได้ไก่พาชิวานี่ดีดีดเขาเอามาข่งแแค่ไว่าตัวล้ยซะโอ้ยพกไก่พระองค์เจ้าหรืออีปอยเมียเคยในทางพุทธการนาโออไก่ยังนี้ไก่พระองค์เจ้าฮะเนาะพวกไก่ศาสนาพระองค์เจ้าฮะเนาะเอาไม่กล ตงคอันเพราะพูดจเจาก็สอนให้่มีขาเบื่อนายไข่หมอในวัดตาสงสารโมหิติเป็นของหลวงไอ้เจ้าแกเก็บตายในวาสงสารนท่าทั้งร้ายบางที่บอกว่าท่านทั้งร้ายบางที่บว่าสูทั้งร้ายเอาแต่คนขึ้จะบอกเนี่ยอะรแตหน้ามนอกว่าสูทั้งร้ายเนี่ยนอกแบบหลงแบบล้านเข้ามาท่านทั้งร้ายคนเขาบอกแบบให้เกียรติให้ยศซูทั้งร้ายว่าฮัลเื่อนนบอกแบบหลงแบบล้านว่าสูทั้ง้าย ว่าทำท้ง้ายเาแบบเอาเกลียบเอาเกลยบเอากเกลียบให้ยุดคำบราเชอญทางร้ายเราแบบเสมอกันบอก้ายแบบที่พระองค์เจ้าเนี่ยไนเนี่ยพระองค์เจ้าพ้อสอนมีงวดบ่มีเอาว่นออหนึ่งนะสงนะสามนะสี่อย่างมีเลยตอนนี้พระกุฎเจ้าว่าท่านสอนตอนหนึ่งพระกุเจ้าว่าท่านสอนตอนนี้พระกุฎเจ้าว่าสอนอีกสอนผู้ใดเข้าใจังไผู้นั้นยกตน เียงกวุต <convert to sex> ิเจ้าเร่องการของพุติเจ้าคยเทศดีสูพระพุติเจ้าไ้ตอนนี้พระพุติเจ้าว่าท่านเทศนี่บตอนนี้เขมบอกพัะนล่าสาลหรือนบนศาในเทศนี่บอกมันมุมนี้อะอย่างอือถ้ามาเล่มกามันเสียดาทุกคือกัตอนนี้พระพุติเจ้าว่าท่านไม่านมากนี่บทุกขคือกันตอนนี้พระพุติเจ้าว่าท่านไม่านมากนี่บอกสั้นทุกข์กรดีสั่นจนกรดีสั้นรวยก็ดีพระพุตเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายว่าท่านไม่านมากนี่บ ทุกแม่ใจคำว่าทุกแม่ใจโลกธาตุเนี่ยพีทุบทอหน้าป่าจ่าล่าเอามือเดียวมากมอพอเน่ยพอกระตายผัวกระตายตายในมือเดียวกันผัวตายจะมุ่ขึ้นงู ก, กัดฟุตกครับหน้าปตาจะล่าให้ทุกท่อหน้าปราจ่าล่าให้โลกนันหน้กุญชราเกศศมุ่ ไปทุกทอเล่าจนมื่ ม, มาพองแห้งตายพ่อการหกซบเก็ดซบพุ่นมื่อเดียวตายหัวง่ำแต่พานทุกพี่กันเม็ดน่ะนั่งคุณธาราเกศศีพุ่นหัวที่ออกตะขาลอกไปลอกมาลอกไปลอกมากับโอ๊ยฉันทุกข์ขาติดตายอีเร๊มือ่อเร๊ะกัน คพีธิชาดิฉันนี่เลี้ยง่ะพราะไอ้ดิส้มถึงเลยสอาใส่หน้าก็ขึ้นเพื่อยิ่งลอกไปหอดวัหจิจริงโจนหมดแล้วโอ้ยพวกขาดมกั้ะกอนเ่าะไยืนยุบวันเหวถึงโจนเนี่ยืนยุบวนถ้าขาโดมหดมนี้แล้วดมหดมนี้แล้วเผื่อเราเ่ากสอกงัดร่มนี่ะเป็นทอนหน่อยทอนใหญ่ร่วนีไปบวชตตัวนั่ปัญญายิ่งนั่งอง่ายวะเอาตัวหลอด เนี่ยสเร็จพระรหัสดพ่อนักเรียนมีพ่อภาษารีบุตรตโตแล้วภาษารีบุตรมาเรียนธรรมะสู่ภาษาลีบุตรว่ารสู่ภาษารีบุตร่ไรถามหาอาจารย์ภาารีบุตรกับบอาอาจารย์เท่าุ่นพระองค์เก่าไปหาพระองค์เก่าพระองค์เก่าจงไปหา น, าน้าชวนี้พนนเพื่อนบชําร็จพระรหัสด้วยภาษาหนั ข้าวของไฟของมเหรอแล้วสิตหนึ่งขาทําะไรได้มีร่มีนอยเขาหลับองหนึ่จ่อเขาจ่อเลยวเกียตัวตายเรอยๆเลยเกียตัวตายแหะสมอน่มาเกียตัวอะไงเกียตัวตายมด เ, เ, เนี่ยเกียตัวหอเ่เกียตัวตายสม เจาะขมาจาะขมาะขมานะล่ ก, ลกไปลกไปลกไ ป, ก, ไ ป, ปก็ต่ายพระพุทธเจา้าสอนให้เคสหลับในวัฏสงสารการทำบอนสัตว์ชูง ส, สอนสันตว์ตามสอนให้ยินดีนมนุษย์สมบัติจักกันพหยินดีใมนุษย์สมบัติหาหอย่ยงสีบในทางที่ชอบสอนยินดีในสวรรค์สมบัติในภพส ม, มบัติ สอนสุดทายก็สอนให้ยินดีในนิพพานสมบัติโดยวนยสุเปสาหรือล่มนสสาหรอไฟม่หัวยเสืเมือมืออื้นยังสดับม่ดได้กไฟหมพายอมืมืออ้นยังสดับสุได้บักเดียนี่เ่าเรื่องเปาเรื่องเฝ้าเรื่องเนยลนอยน้นั่นบัทสัตว์ถูอมาบอให้เปลาเรื่อุบายได้สิเบนายไข่หม้อในวัดราชมงล อุบายอะไรที่เค็ดลับในวัฏสงสารเน่อันหน่์เป็นขัาวสารหัวเฮานีบทุ่มเทโรในจิตในใจนอแบบเย็นๆน้หัวเดปลิวเดะพวมันเนี่สาสตพวกมันั่างยาวเดียวกับฝากเลยคับพระพุทธเจ้าองค์ยาาเี้ยพวกมันจะปล่ยไว้พระพุทธเจ้าตออเลยอ่ะ มาต่วได้ค้าหักับทีมไหวมาตัวได้ค <dashboard> ่า <Pacific> ด <astrology> ีกเปิดออกก้อนเน่ะมันบกคราเลยมาตัวได้ค้าฮักกออกแกนเดินตั้งตะปาได้ก็บพวของยองของจ้าเลยตัวค้าดีมากของแรนออกก้อนเนี่ยเป็นจังหวะนายโคอบานง่วสทีไม่อยู่หันจังลาดหรืนเป่าไม่ได้นายข้อบานเปิดค้อก เมื่อตัวได้อยู่ม อ, อมันก็ต้องออกก่อนที่ตัวเท่าก็ส้างทีตัวนุ่มก็ตอบคือกันผู้ได้สามบาลมิแก่กามาแล้วพูน่มันก็ต้องออกก่อนนยมสัตว์มันนะว่านนยมสัตว์มันนะว่าผู้เท่าผู้แก่ผู้หน่อยผู้นุ่มผู้บวดผู้บาบวชตัวได้อยู่ไกลปพระตัวอยู่กลปั๊ตัวอุปมาคือาบามีแก่กามาแล้ว พอเขานบนเปิดคอกเขาออกมันยมอเี่ยมันยมอพตูมันออกกมูีนีกำลังมันได้กระชากกำลางกายอยู่ชไหมกระซูโตยุคแฝกยุ่ากคอก็ไรพอสาวมอเรมีแค่กามาแล้วเขี่ยเสบุคลผู้สาวมอเรมีแค่กลาวมาแล้วผู้แฝกผู้ใดพ่อใจพิจนากองทุกข์นวชากทงศาลของคำลงเขาลงออกเป็นจี่ักว่าลูกเป็นจีซักว่าเห็น มันจะซักว่าเห็นมันจักว่าลูกคิดเป็นจะซวาคิดพวกลูกมันเะซักว่าพวกลูกพอเขาล้มพัดแกเขาออกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งสาวมาล้วทั้งแก่มาแล้วเขาสืบทอไปโดยร้วนเขาปะยูทล่ละเออเอายังปลูกไว้กับประยุทล่ละเพราะเขาเป็นยังเขาจังตกลงพีนะพราเขาพีชนะมันแล้วแน่ใจโลกอัธอนี่มันมุมีอีหยังมันมีแต่ถูกกับตาย เห็นทุกข์ก็เห็นโลกรอบนึงแล้วเห็นตายก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นดินเห็นน้าเห็นไฟเห็นลมเห็นโลกรอบหนึงเห็นขโมมันบ่เที่ยงก็เห็นโลกรอบหนึงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งวัชบั้นเขาบอกสงสัยในโลกทั้งปัวงเลยขันเมื่อมาสงสัยในโลกทั้งผวงแบควทเยอทย่านในโลกทั้งผัวงมันกันหนอยลกเน่อยนี่สิว่ายังไงสนะเดี๋ยวไปใส่ยิ่งแต่อันนี้จังทุกทังอนัตตาเห็นทั้สองบ่บ่นบ่เที่ยงอว่างงั้นพ่อสี่เนียสีพ่อมาหลอก ไอ้คิดใใจลงได้บกุกมาถึงมาเป็นเจ้าหัวใจได้ว่าเมาื่อพูดมาเชื่องแน่จะเรียกแม่นาสอกสองออกเสียของกำลังไม่อยู่สิบบาเดียวต๊ดสุดได้ผลโอ้ของสนุนรอดว่านั่นพอเห็นไรพกผันหน้ามันแก่กาแล้วค่มลงมุมมีอำนาจ พ่อจะมารองพ้อใจไรเมันก็้ชีตออกเลยพอปัญญาของมันนักมันอยู่ในเกียนศีรษะโงหลงมันแหละเนี่อมันนกเอานกเอานกเอาแลวหลุมมังดางมังดางมังดางตัวที่ขามาอะไรผมมันเห็นสัตว์พวกนี้ศีสษะพว้โงอกับมันปัญาขนาปัญญากับโค้งงอแล้วขโมงกับสกีกับปัญญาล่ะมันเอากันมันตะลุบบ่อนกันอยู่ใน วงของพยยังานชิตราดเดือนี่ชนะมันกับนะกันเนี่แหละแพ้มันกับแพ้กันเนี่แหละไ่ได้ไปแพยป้ยศอื่นอกทนว่ า, วานั่นพระนิพพานเป็นเจ้าพระนิพพานสังขารเป็นเจ้าพระนิพพานสังขารให้เป็นเจาน้ า, า, า, า, เจาโลกทุกข์ก็ตายเป็นเจ้าโลก พระนิพพานทุกปัญญาพระนิพพานทุกปเจ้าโลกมันโลกทั้งหลายไม่ได้ทุกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแน่นังสินั่นข้าพเ้งเห็นโลกสัตว์ในปัจจุบันสัตว์ตอนไดนได้อดีตนลอนาคตตอนไหนมันก็สัตว์ข้าพเจมันเห็นแยงในปัจจุบันตอนไหนสัตว์อดีตะอนาคตตอนไหนมันก็สัตว์มันกั่นบอกว่าอรรว่า ไปที่วัดเพื่อออกแกววัดท้าสงสารไปฏิ่วัิเพื่อออกแก่ทุหลงจกของเดี๋ยวว่าบาลามีแก่ขามาแล้วปที่วัติพอเป็นนิตไซเดี๋ยวว่าบาลมีของก็ตั้งนั่กคือเครื่องทดสอบวัดทดสอบจะของฟังเขตภายหน่อฟังเขตะายไมเออข้อแก้ข้อเก็บข้อจ่าย สกกลร่างกายเนื้อสกก ล, ลใจโลกโกดองสารพัพนีไ่ได้กันเศษทั้งนั้นเลยไปสิฟังนักเทศบือาา่อบ่อยอยากนักปฏิบัติมันอึดนักเทศบือาา่อกินข้าวไปใส่ในถอถ่ายเอาสกกลมันนักเทศเอานั่งโดดปวดแอลปวดนังกับมันนักเทศเท่านั้นเห็นบ่กองทุกทห้องทําหนาวหอมเผาบุกอ้นกับมันนักเทศเออ หัวงอกแก่ตอบฟ้ายหักฟันหักกัมันนักเทศนักเทศเอกบะลงธรรมะกคือข้ป่ ว, ปวยขเน่ากับ่ะลงธรรมะจากสกลรกายก็หิวข้อยากับบล ง, ง, งจากธา ร, ถถกรรมาสกปรกกายโรคกรดโรค ก, ก็บบะลงจากธารรมะใจนี่จะนักเทศเอกขอา้างหน้มมนาที่องง่โยมธรรมะขอบเลยไหมนั ออกแต่ห้ามจะส้างหรอนีทุกคนทุกคนแห่งประเทศกินหน้าเาเข้าไปกัเทศออกทั้งทวันนักทวเบลากินเข้าเข้าไปก็คือกานนั่นกินมือนี่มืออื่นเหี้ยวมาพราะกอนสุดยอดอบอยู่ในปากว่นนี้อันเดียวกันเนี่ยี่จะทุกข์นี่จะง่ายี่จะลำบากในวาระสงสารวารสารเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งปวงสิทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วน มยินดีเนีว่าตางสารมันกนจะตุ้นไขออกตัวมันว่ายมันจ ะ, ปะไปสมาามา่มันตักอองพ่นมาไส่พี่้ืนหน้ายู่เนึองเมืองเฮ้ยจำไม่ยากมาขึ้นเหวเนี่ยนึกกันรันเปาเนี่ยครับหอมสุดอร่ยมาโยผู้ผู้กับพระภาวานาไปโยดินเพียงดินเพียงกับพระภาวานาที่รถรถกับพระภาวานาที่เครื่องบินเครื่องบินกับพระภาวานา ในยุคกุติด well, right. ีๆง like ่ามกุติด awesome? ีๆกงามกับพ่อพ่อวานาไปนอนขีดิขีดินกับพ่พ่อวานาหาไปนั่งนั่กับพ่พ่อวานาหาไปนอนหลังกับพ่อพ่อานาหอืแต่มันพ่ง่ายคตลาดบพ่พอวานาเอาหนหข้อรรา่งเงไรอย่างนหล้ยๆกับพ่พอวานาหาาเง้น้ยๆอยเง้นยๆกับพ่พ่อานาหาไไปกินอิ่มๆท้องกับพ่อพ่อวานาหายหิวก้มหิวกับพ่พ่อานาหย พยัญชนะิตระลาบจะเป็นผู้เห็นหน้าท so, like ี่ของเพื่นบัดเพื่อนเป็นเจ้าเป็นจอมเหมือนนี่เพื่นเพื่นเพ่นมีอิสระเ่มือนนี่เพื่นเป็นเจ้าอาวาสนี่พยันยิตระลาบเป็นเจ้าอาวาสของกายของว่าใจของกายเป็นเจ้าอารวาสนี่อารวาสของกายว่าใจกายอารวาสข้วมหัน ก็เส้ชิปสายเขลงสายที่เอาคน่างก็หอยชิบนหอยและลงห่มแม่นำไงคนว่างพูดกระท่าพูดกระท่าอะไรเขาพู่ท่าอะไรเขาใจะไรค่อมดีอะไรค่อมซัวอะไรผู้นั้นผู้สร้างคนนี้ตกล่องสินสมารถที่ปัญญาเขม่ตัวเดียวยุไกรถนัดตัวบัตรเพศที่เทไรก็สร้างสีมาปาะก็ตามพระพุทธเจ้าตลอดโวนก็สร้างทำมประเทศหัวใหญ่ใจตัวเดียวคนม่นมีใจพระพุทธเจ้าของประเทศ คนแบบว่าเสียเจริญพิมพ์โเจางประเทศแหฟังคนมีเวยนญาณมโนภูตเจาะประเทศแหฟัง่งอันนี้จา่าวว่าสังขาราเ่นเกทนคนเกินเดฟัง่งประเทศแห่คนตายฟัง่งคนตายจยังนี่หละเฮ้าที่ตายยังที่แห้ะเจาดมู้่อ่น้าเ่ก็เข้าไปส่งมแพงสังขารข่ า, นขาคนในพลานนะคนุดคนว่าจัวันสุดมันเพจะเอาคนตายเป็นพระานเนาะ มือห้องจะนอนชาเด้อฝ่า่้มีบาปกบไปหาบาปไม่บุญก็ไปหาบุญได้ยว่าหทำมามันเป็นประเทศให้ผู้ตายฟังอันเดียวกันั้แล้วส่ไหนพายิปตลาชนี่ะฟังผู้นั้นพญายิตราชไม่มหันไปฟังยังถือไปทีบไดไที่วัดโบวังผุดถุกในวัดราชสงสารก็เรียกว่าบารมียังอ่อนรู้เข้า ต้องสั่งพ้นแก้ปฏิบัติเพื่อปัใจัยชีนกับารมีของพท่านแก่ทบารมีมันแก่แล้วรอ้ยมัหาใครจบอกมันอกมันเป็นเองมันจ้างให้เหลี่ยมไสผูทธศาสนาเหมือนใครจ้างเรากระเ่าะกับตัวศาสนาอื่นพ้นจ้างมันโอ้ยเนเหมือนกันจ้างเราไม่กระเ่าเหลี่ยมไสถ้เรเห็นเองสร้างโง่เห็นสั่งพระพุทธศาสนาจ่จ้าง ปล่อยให้เห็นเองปล่อยให้มีกระท่าเองขอให้พระองค์เพื่องความสงสัยให้ข้าพระเจ้าบ้างเถิดฝางบ อ, น, งองนข้าพระเจ้าเพื่อความสงสัยให้ใครไม่ได้เมื่อผู้นั้นเห็นเองพู้นั้นก็จัง่งจะรูเ้เองมีชิดเองจะไม่ข บ, บถืนควรค้นไปทำพระองค์เจ้าขอให้พระองค์เพื่องความสงสัยใข้าพระเจ้าบ้างเถิด ถ้าพระเจ้าเพื่อความสงสารให้ท่านเท่าไรไม่น่าเมื่อคนนั้นเห็นเองคนนั้นก็จะรู้เองธรรมาสัมทิศที่โก้ในท่าของพุทธศาสนามันไม้ได้ไม้ตระสูพุทธปณโนเป็นต้นถ่ายคาประเจัาตังค์นะคือตังคขันสิไมยถ้าพวกขีรักขีศกมันกับฟันเสือโพดผู้เขาขีรักเขาของเจ้ า, าเขารักคู ทุกข้บเหลี่ยมใช้พุทธศาสานาเขากมุาเขาเหลสสาาี่ยมบเหลี่ยมใในพุทธศาสนาอยู่ที่จับเนทัทิทิโกพวกนี้แตจับได้เยอะพนัันเยอโคตรจับเอาเซบซูปัปโนโนเป็นบื้อต้นของพุทธศาสานาปปโนโเป็นพวกมันจันบวบงต้นของพุทธศาสนาจปุปโนโที่สุญาติสามีเนะ่ยจบสิ้นแล้วสามีจีเนะี่ยเลียนเลี้ยนจบแล้วเลี้ยนนโมก็จบแล้วนโมคนีย่ยจูปจบอยสามีจีปัจจบันโนทุกข้าก็ได้ยอะนโมว่าั่น แนโมเรกนโมฟ้านโมวัดนโเอดินโมพระหันนโมผมมีโรคมีโกลมมีหลงสิว่าจะไหนสักอะนันมันจังเียนนโมจบกันผู้ทั้งางพระช้านี่ห้วยขันพระละหันจังเลี่ยนผู้ทั้งสร้าง้านี่จบสรงเศษจบคนละปฏิบัติก็จบคนละมีทางเขาด้วยม่ทางหนังดดวยวนใดทางเขาไดทางหนังหรอใดทางปฏิบัติด้างควบุู้ บอกว่าบบรูร้ผลรกคนจะควมหลงจะคลองเหรเห็นผลกิเลสกระไดคืห อ, อห่อคือเ่บเปีนรู้ผลคว่มหลงจะคของรูงง้ผลคว่มสงสัยจะคของตั้งอดีตตั้งอนาคตั้งปัจจุบันเออ็รมรู้ผลรเสีตั๋ตตตวไรใครว่าตั๋วว่าไรแนหลงเลยนี่ว่ามันเป็นไอ้สัว์ว่าประยุบรรัามันดีว่าประยุบันนี้มันดีตั๋วว่าไร ที่ว่าตังไงเนีดีน่ันดจากคีเดขันวัดจากคีเดกะสร้างเาเจ้าดดีไมจ่ันวดจากคีเแล้วี่ยอยู่อยู่หาจะชุอยู่บนอีประชุกเพราะว่าเออมืดนันนะมาจากไมูโตเยโส่โอเย่มาอย่มาอไเนียโส ยะโสเปโอะยดยะโสเปโอะยดยะสาวัตตะโกมึงยะโสยะโสเปโอมเง่งหยุดข้าถามมั่งอีกข้าถามมั่ตัวมั่งยัฮะ พวาเลลิกงานละโมง่าครับผมงงกวาบกน้าปานี่ปา่ตอนแรกวันที่มาเาตทางมงกว่า uh, โ uh, uh, uh, ัอมาบ้อะไรครับเฮอโอมงงแรงโมมาาอะไรไปโมงโตมา้ากลปประพักมื่อกี้ไปรับ ยอ่อดระสิโตหน้าใสพูมาลุ้นด้วยนี้ชุดใจ่ประกอบูมาก่อนประกรารจากท่นถนอมบอกว่าจงทาดีจงทาดีจงทาดีด ค, ดครับท่านนั่นทอันพดียามไค่จุผูท้าดีฉัน้าประถ้ดีเขายาคิดตลาดประถดีอันดีด้วยฮะนี่ อันนี้เชื่อเป็นไงอันนี้เชือันนี้เชอเไงะเชไอันนเน่มบีน่ฟพไปสะพันบอ้องไล่ะนึ่ง้องโตบอก้องไฟน่้องไฟน่้องโตบอกเอเอ ฮะอะไรที่ม oh, ันงอฮะเาผมจมาเมื huh? ่ออื ok ่นตัวซีเมอรเมื่อไงนี่บ่ห่วยมันต้องเอาไปทายข้าเจ้าเหล่ไม่อยากเอาไว้ย่ามันค้นหลงนี้ไปทังอื่นไปทายขาเจ้าย่านคนหลงนี่เอาทังอื่นมันหลายคนใส เขาเอาไปงานคนลงนี้ไปทางอื่นมันร้ายมันเสียละอันหรอกแล้วนางเทวีก่อนเก็อยเสียเขาเห็นอดรอดกดติ้งนกแข้งมันหีิบนกแข้งมันเก็ดลอยมอ่อนสอดเขาจะเอาไปบเห็นจุดนี้หน่อยเออ เราคนตู้เนี่ยจะแบบ้าแล้วมใืจะ้ดเนได้ลมีแตสมไม้ก็เปนอย่ามไม้มันเอาเขาจืไหันเสารี่จะสมม้ปนอไร้ำอัดลืตยเลือเาตัวจะทายได้เทายไปดูคุณเตอร์รวจร่องเลยตรวจหอ่ ของปืนหรือว่า uh นี huh. mm ่ย hmm. ค uh ือเท่าไของืนน่กองบดีนักือ่ม่หลฝามาในันนี่ขาานจมากเขาานหมกเออพ่อของ็มตโตะเออกคนานใจากทานเเดี๋ยวบ่ เ, เขาเรียกอะไรนะขายขีดตอมาเขาข อ, ออกหมดเขาออกไม่เขาเรียกเส้นเขาออกหมด เ้าโาม่นี่นเลยเปนเพือน่พระพุท้าตัวระพุทธโลกนี่ไม่ไม่คารพระิพัฒน์ปฏิมากรเป็นนวัตสุขกฏไม่ไม่มีสวหรองเท่าใล้พระพุทธปฏิมากรก็เป็นนวัตสุกฏประชาราษฎร์สังปฏิมาก็เป็นนวัททตุททกฏ เขาพุทธลูกนนี่อยู่เจ้าเขาพุทธศาสตร์นาทุกโออันนี้เป็นภาษาลูกก็่รเียเนื้อที่สัมพันคริสก็เนนี่อันนี้อันไหนพระองค์เจ้าและให้ให้ให้เปิดพรนาเสียใจเลยเปิดูกข้อสิปรูกข้อตายเอาพระพุทธเจ้ามวให้มลูกสมเพน